ขอโอกาสท่านอาจารย์เจริญพรูทุกท่านในภาพรวมนะพวกเรากพ่อพอานากันดีขึ้นแล้วละ่ะที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกราตั้งใจให้มันจริงว่าเราจะปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรก็รต้องรู้สิ่งที่เราต้องรู้นะเราจะปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไงปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติแล้วมีผลยังไงสิ่งเหล่านี้เราควรจะรู้บางคนก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัติแล้ก็ปล่อยเขาไปนี่คนที่สนใจจะปฏิบัติเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรบางคนก็เห็นคนอื่นปฏิบัติก็ทำตามตามเขาไปก็ดีกว่าเปเกเรที่อื่นแต่ไม่ค่อยฉลาดทำอะไรเนี่ยมันต้องรู้ว่าจะทำอะไรจะทาเพื่ออะไร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 เพราะอะไรรู้ปลายทางแล้วว่าสุดท้ายมันไม่ยึดถืออะไรแต่ไม่รู้วิธีการเพราะได้เจ้าสอนวิธีการปฏิบัติอย่างไรวันหนึ่งจิตใจไม่ยึดถือในรูปนามกันห้านี้จิตใจพ้นออกจากของทุกไปยังมา น, นึกเอาเองไม่ได้หลายคนก็นึกเอาเองอยังได้ยินว่านิพพานเป็นความว่างนิพพานังปรามังสุญญ์ยังนิพพานเป็นความว่างก็พยายามทําใจให้ว่าง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 เวลาเราคิดถึงความตายเรารู้สึกเป็นความสูญเสียแต่สำหรับพระลหันเวลาคิดถึงความตายไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียแต่รู้สึกร่าเริงใจตัวทุกข์มันจะตายนะตัวทุกข์มันจะแตกไม่ได้วันไหวเลยมีความสุขนะใจจะร่าเริงจะสดใสเป็นพิเศษเลยจะผ่ อ, องนะเวลาธาตุขันจะแตกนะถ้าพวกเราเวลาธาตุันจะดับลงไปนะจะุรทุราย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 มีเรี่ยวมีแรงที่จะไปเจริญปัญญาปัญญาศิกขาจะทำให้ใจเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจศีลและสมาธิและปัญญามันก็เลยเป็นบันไดาสามขั้นที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นคือตัววิมุตติตัวความหลุดพ้นหลุดพ้นจากความยึดถือในธาตุในขันธนะ์หยุดพ้นร้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลาย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 มาแต่งตัวเป็นพระรักษาศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อรักษาไม่ได้อนะ่ะศีลก็พฟ้องก็แกล้งนะมันบาปนะภาวนาไม่ขึ้นอนะพระอาบัดปุ๊บภ า, านาไม่ขึ้นเลยนะจิตไม่สงบสงบก็สงบซื่อบื้อนะสู้ศีลห้าไม่ได้ด้วยซ้ําไปพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกให้พระสึกนะในๆก็บวนมาแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลได้ดีที่สุดอนะ ถ้าไม่รักษา้็เสียหายโดยต้องพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาซอนที่ไหลหลวงพ่อก็สอนแต่เรื่องพวกนี้แหละศีลเบื้องต้นนะตั้งใจรักษาไว้ก่อนตั้งใจงดเว้นการทำบาปอากุศล5้าข้อต้องตั้งใจงดเว้นเมือบางคนก็บอกว่าตัวเจตนา ง, งดเว้นเจตนาที่จะงดเว้นนะนะั่นแหละคือตัวศีลนั้นก็ถูกเป็นศีลในขั้นต้น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 ยวมาบานถามว่าแกมีอะไรดีบ้างวันนี้ฉันถือศีลห้าแล้วตายลงมายวมาบานจะโหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมให้ผ่านผ่านนรกไปได้รอบหนึ่งนะยัถือศีลห้าไว้เราไม่ตกนรกนะตั้งใจให้ใจมัเข้าเคลียร์อยู่ต่อไปเราพัฒนาศีลของเราให้เจริญงองงามขึ้นไปให้เป็นศีลที่น่าชมเชยเรียกแล้วอริยกันตศีลศีลที่พระอริยชมเชย เราไม่ใช่ชมตัวเองแล้วคราวนี้ก็ทั่งพระอริยะยังชมเลยมันเป็นศีลที่มันไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดไม่ทะลุนะมันสมบูรณ์ตอนไหนยังไม่สมบูรณ์ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมารู้ตัวเองอยู่แล้วให้เรือบิดไปปัดเป็นการฝึกพวกเราเหมือนกันนะการฝึกจิตฝึกใจของเราเวลาหลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยจะฟุ้งซ่านแค่ไหนเรารู้ทันตัวเองไป ถ้าไม่ฟุ้งซ่านหลวงพ่อพูดต่อเขารู้เรื่องนะถ้าฟุ้งซ่านไปเริ่มต้นไม่ถูกงงแต่ว่าพวกเราในภาพรวมที่พวกเราเป็นทุกวันนี้นะหลวงพ่อเห็นว่าพวกเราเก้าวหน้าขึ้นเจริญขึ้นเป็นส่วนมากเลยไม่ใช่งี่เงา่ามืดมืบอดบอดอย่างแต่ก่อนแล้วละแต่ละคนใจม่อสว่างสวัยมากขึ้นมากขึ้นยู ด, ดีตั้งใจรักษาศีลไว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 ตอกินด้วยกายใช่ไหมก็เอาใส่ปากคนไม่มีแรงยกแก้วเหล้าไว้ไหวบอกให้เพื่อนช่วยยกกรอบปากให้ทีเ <c oughs> นื่งเป็นพฤติกรรมทางร่างกายเลยจัดอยู่ในกลุ่มของศีลตั้งใจรักษาหนะการรักษาสติมีสติรักษาจิตราคะเกิดขึ้นใจมันโลภขึ้นมาใจมันรักขึ้นมามีสติรู้ทัน โทสะเกิดที่ใจมันโกรธขึ้นมามันห ง, งุดหงิดมันไม่พอใจมันอิจฉาพยาบาทมันตระนี่อะไรนี่ตะกุโทสะกังวลกลัวนี่พวกโทสะเสงเบื่อนี่พวกโทสะโทสะเกิดขึ้นมาให้มีสติรู้ทันทเวลาใจฟุ้งซ่านพวกโมหะใจฟุ้งซ่านมีสติรู้ทั น, ทน ก, กน็ ร, นรู้ไปได้่อยดยเฉพาะราคะโทสะเนี่ยตัวทำให้เราผิดศีลห้า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 วามีอย่างนี้นะใจเราเลื่อนระดับจากมนุษย์มนาะเป็นเทวดาละมีฮิริโอตตะปะมีศีลห้ามีฮิริอตตะปะขึ้นมานี่เรื่องของศีล น, นะฝึกไปได้เราจะได้เป็นเทวดาถัดจากนี้เราจะฝึกให้เป็นพรอมเป็นเรื่องของสมาธิสมาธิฝึกได้เราจะได้เป็นปลอมไม่ใช่พรอมที่เรานั่งนี่นะพรอมอย่างนี้ถูกนั่งถูกเหยียบนะแล้วไม่ใช่พรอมที่อยู่ตามโรงแรมด้วย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 ก็ได้ยินข่าวเล่าลือหลวงปู่ชอบเนี่ยเขาลือกันว่าเป็นพระอรหันต์ก็จะไปกราบท่านนะได้ข่าวว่าท่านมาที่ในกรุงเทพเนะไปถึงนะ โ, โหคนเยอะเลยล้อ ม, มทั้งพระทั้งโยมเล้อมไปเยอะเลยท่านนอนหันหลังอยู่โหเราก็อยู่ห่างๆเห็นมีช่องดูได้แค่เนี่ยเห็นท่านหน่อยหนึ่งนะไม่เป็นไรเข้าไม่ถึงเรากราบตรงนี้แหละลงกราบกับพื้น ผมขอกราบพระอาหารหันโนปู่นะาหยับหน้ามานะ <c oughs> นอนหันหลังอยู่นะอาจานย์ <c oughs> เราเห็นท่านสดใสจังเลยถ้าเป็นเราไปนมามาพานนะก็ดูกระดิกไม่ได้เราไม่สดใสแล้วเนาะเราต้องกลุ่มใจแทบตายเลยรือท่านมีความสุขในการที่เราไม่เห็นนิพพานด้วยตัวของเราเองนะแล้วเราเห็นท่านทึ่ท่านมีความสุขความสงบมาดูมันดี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 สัมผัสเนี่ยเรียกว่ากรารมคุณอารมณ์แล้เนี้ยใจของเราพอมันมีความสุขมีความเมตตามีความสงบนะั้นไม่เป็นใจของโกลมใจของโกลมเนี่ยเป็นใจที่มีความสุขความสงบอยู่ในตัวของตัวเองไม่ได้หาความสุขความสงบไม่ได้หาความอริเรศอร่อยนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส่ถ้าเราค่อยๆฝึกนะเรายกระดับใจของเราห่างโลกออกมาทีละขั้นทีละขั้นแล้วมีศีลเราก็ค่อยๆฝึกรักษาใจของเราไว้ไม่ให้หลงสามโลก เมืเรามีสมาธินัใจเราก็คลายออกจากโลกไปส่วนหนึ่งในโลกที่เป็นเรียกว่ากรร ม, มาโลกกรรมมาโลกเราลิงนะไม่ใช่กรร ม, นะามมาโลกนะกรรมาโลกกามมาพบใจมันจะคลายออกยิ่มีความสุขของเราอยู่ได้อย่างพระนี่หลวงพ่อบอกเรื่อยๆแล้วพระต้องฝึกสมาธินะว่าพระเนี่ยไม่มีกรร ม, มาสุขอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากจะได้ผ้าอบอุ่นก็ไม่ได้่ะ หน้าหนาวหนาวชุดผ้าเนี่ยหน้าหนาวหนาวนะหน้าร้อนร้อนคิดดูถ้าไปไหนแล้วก็ผมพราผมไปด้วยร้อนแม่แต่พระพุทธเจ้าท่านดีไซน์แบบมาเนาี่ยเพื่อจะใช้ได้ชิ้นเดียวนี้ใช้ได้ทั้งปีเฉลี่ยกันงั้นหนาวบ้างร้อนบ้างหนาวก็ไม่ถึงขนาดขาดใจตายร้อนก็ไม่ถึงกับบ้าตายพอพอดีเฉลี่ยเฉลี่ยเนื้อผ้าไม่ได้มีความสุขอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินนะเช่าเขาให้กินก็ได้กิน บางทีเขาก็ทำ ม, มาอย่างดีเลยนะทำอาหารอย่างดีมาเลยพอม า, มาถึงพระเนี่ยนะของมันควรร้อนมันเย็นเจี๊ยบเลยอย่างนี้ก็มีนะอยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนเพระั้นพระไม่มีกรรมสุขถ้าพระมีฌานสุขนะพระจะอยู่ได้สบายเลยพระจะมองโลกไม่ใช่มองด้วยความอิจฉาว่าคารมีของกินตอนเย็นแต่พระจะมองแล้วก็ กินไทำไมว่าเสียเวลาเนี่ยเราสบายสบายมีความสุขสบายมากไปนหน่อยฝ <c oughs> <c oughs> ึก้านะฝึก เ, เรานึกจะทาความสงบปุเหมันก็เข้าเลยนะฝึกให้ชำนี้ชำนาน <c oughs> ต่อไปเราก็พัฒนาใจให้หลุดโลกเลยคราวนี้สมาธิจะทาให้ห่างโลกออกไป ใจผลุจากก ร, รมกคุณอารมณ์นะใจก็เป็นพรหมแลเห็น ไ, ไหมถ้าเรามีศีลเรามีฮิริอัตปะใจเป็นเทพเป็นเทวดานะเป็นอยู่กับโลกแหละแต่ว่าไม่ทํำลายโลกมีความดีของตัวเองอยู่กับมันเพราอนเทวดาเนี่ยยังคลุกอยู่ในกรรมคุณอารมณนะ์เทวดามีเมียได้นะแต่พรหมไม่มีหรอกเทวดายังมีเมียมีครอบครัวนี่แล้วยังหลงอยู่ในกรรมแต่พอเป็นพรหมเนี่ย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 นะไม่ต้องดอจอรอดัดจริตนะจะยิ้มก็ต้องนะโอ้ยมากไปเอาพยักหน้าซิเรื่องมากไปนะเรียกว่ากรรมฐานดอจอรอนะ <c oughs> ไม่ใช่หมอจอรอ <c oughs> มันมันเรื่องมากเกินไปรู้สึกไหมร่างกายตอนนี้ยิ้มตัางกายวาะละรู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตใจตอนนี้หลายคนมีความสุขรู้สึกไหม แล้วใครงงรู้สึกไม่ใจกาลังงงง่ายง่ายแค่นี้เห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกนะไม่เพ่งถ้าเพ่งเนี่ยตึงเครียดเกินไปหลวพ่อเห็นท่านนี้นะนึกถึงกิ้งก่าทุกทีเลย <c ười> เคยเห็นกิ้งก่าผงกหัวไหมย <c ười> อย่างนี้นะเนี่ยยิ้มก็ยิ้มสินะเคลื่อนไหวกระดกกระดิกลองขยับมือซิขยับมือ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 พี่กวนอะไรไม่ใช่เลยร่างกายเป็นไงก็แค่รู้สึกจิตใจมันเป็นไงก็แค่รู้สึกนะไม่ต้องดรอดจรรอทำแปลกๆหรอกนะรู้สึกไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะเวลาท่านสอนให้นั่งนะท่านสอนง่ายๆไหมพิสูจนทั้งหลายให้เธอผู้บัลลังตั้งกายตรงดิ่รงสติเฉพาะหน้าสอนง่ายๆ ท่านไม่เคยสอนเลยนะที่สูทั้งหลายเวลานั่งนะมือของเธอจะต้องวางท่านี้นะนิ้วตรงนี้ต่อกับนิ้วนี้หรือต่ออย่างนี้หรือต่ออย่างนี้ไม่เคยสอนเลยสอนง่ายๆที่สูทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่สอนไม้มว่าเดินมีกี่จังหวะไม่เคยสอนเลยเนี่ยคนรุ่นหลังนะมาคิดขึ้นนะคิดขึ้นถ้าในที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆนะง่ายๆใช้ชีวิตอย่างนี้เองนั่งอยู่ขณะ น, นี้นั่งอยู่ไหม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 แค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกไปสบายๆนะเนี่ยถ้าพวกเราทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเราฝึกรักษาศีลฝึกสมาธิฝึกให้ใจนะไม่เปหลงโลกนะให้ใจมันมีความสุขความสงบความอิ่มความเต็มอยู่ในตัวเองแล้วก็มาเจริญปัญญาคุณงามความดีของเราเนียจะสะสมขึ้นได้่อยนะเวลาที่เราพาวนาไปเรื่อยๆพวกเรารู้สึกไหมเมื่อภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งเนี่ย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 ทำให้ถึงพมความดีอะไรมีโอกาสทําก็ทําทําไปเพื่ออะไรเพื่อลดรากความเห็นแก่ตัวเพื่อให้ใจเนี่ยมันรู้จักห่างออกจากโลกสบางเดีย๋ยวเราทําทานเนี่ยไม่ใช่ทําเพื่อจะเอาบางคนทําทานเพื่อจะเอานะมาใส่บาตรแล้วอธิษฐานขอโน่นขอ น, ôn, ขอ น, ขอนี่ขอมากเลยขอจนกระทั่งพระไม่มีจะให้พราะพระก็ไม่มีเหมือนกันนะขอถูกหวยอย่างเงี้ยนะเคยมีคนนึงนะตอนหลวพ่อบวชใหม่ๆอยู่เมืองการ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 วันนนอ่ะพระฉันฆ่าเสร็แล้วอาพาธเลยใหญ่คนเนี้ยหายนะหลวงพ่อเขบอกครูบาอาเนี่ยตอนนั้นยังไม่บวชนะบอกไปบอกโยมทีนะอันนี้หลวงพ่อไปบิดบาทไม่ได้นะอาพาธมากนนี่ก็กไปบอกใหญ่คนนี้ก็ตกใจฮะพระก็ป่วยเป็นเหรอะมันเห็นพราเป็นตัวอะไรมะเนี่ยทําเพื่อจะเอาใช่ไหมเอาอะไรเอาความสุขความสบายหรือใส่บาตรขอให้ถูกหวยเนะ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 ถ้าทำไปเพื่อจะสะสมกองกิเลสนะมันได้เหมือนกันนะมันก็ได้อย่างพรานนท์นะท่านเคยทําบุญแล้วท่านอธิษฐานขอให้ลูกหล่อนะไม่ใช่ชาตินี้นะนานมาแล้วเกิดมาที่ไรหล่อเฟี้ยวเลยสนะาวสาวมาตามจีบนะสุดท้ายไปเป็นชู้กับเขาเป็นชู้กับเขาท่านบอกท่านตกนรกสิ้นกาลนานพ้นจากนรกนะอยู่ทุคติสิ้นกาลนานแนละ้วก็มาเป็นเป็นบัวนะเกิดเป็นวัว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 นึกถึงว่าพระละหันไม่ได้ยึดถืออะไรไม่ยึดถือกระทั่งจิต น, นั่นกูปล่อยทิ้งเลยโยโย่ปล่อยทิ้งเลยก็บ้าเท่านั้นเองนะมีนะไปเจอพระองค์หนึ่งไปหาหลวงพ่อที่เมองการมาถึงหน้าตาอย่างนี้มาเลยเราก็เขยา่าท่านเป็นอะไรผมทิ้งตัวรู้ไปแล้วนะนี่นะไม่อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้สติแตกต้องรู้สึกต้องรู้สึกก่อน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 ข้ามจากถ้าเป็นตอนเป็นโสดานะข้ามจากปุฎุชนไปเป็นอโศดาแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยข้ามจากวัตตะเลยวัตตะเนี่ยถล่มลงต่อหน้าต่อตาเลยนะบางองค์ทั้งก็ห็นได้ยินสาวเอฟเฟกโลกธาตุสะเทือนสะเทือนเพราะพวกเทพพวกอะไรนี่อนุโตทนาลนะึกนะของดีก็มีอยู่ในศาสนาเรานี่แหละที่อื่นไม่มีหรอกเจอศาสนาเราก็ต้องภาวนาให้มันได้เรื่องได้เราอย่าเลียวไหล ฝึกไปทุกวันใจเราเข้มแข็งเติบโตใจเราออกจากโลกออกมาได้หน่อยหนึ่งก็มีความสุขตั้งเยอะอะไรรู้สึกไหมเออออกมาต่อไปออกออกออกหลุดออกไปเลยนะไม่ใช่สติแตกนะพระอรหันต์ถามว่าเดี๋ยวเมื่อวานดร อ, อรเตร์ถามหนวงพอพระอรหันต์มีสติตลอดเวลาไหมมีบางคนเขาว่าอย่างนั้นดรถึงไม่เห็นด้วยหลดฉลาดแล้วที่ไม่เห็นด้วยจิตมีทั้งหลายประเภทอย่างจิตที่มองเห็น เรียกจากรครูวิญญาณจิตยังไงก็ไม่มีสติมันเป็นวิบากจิตไม่ดีไม่เร็วจิตที่เป็นจะมีสติหรือไม่มีสติจะมีกุศลหรือมีกิเลสไดเ้เรียกชวนาจิตจิตที่เสพอารมณ์แต่ถ้าเป็นไม่ใช่พระอราหันต์เนี่ยจิตยังเสพอารมณ์อยู่แต่ถ้าพระอรหนันต์นะไม่เสพถ้ไม่ เ, เสพอารมณ์นะแต่ว่ารู้อารมณ์อยู่แต่ไม่เสพแต่ตรงนั้นสติมันทํางานขึ้นมาสมาธิปัญญาทํางานเต็มที่ไม่ต้อง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 เล่นอันเดียวก็พอแล้วล่วนะกรรมฐ า, านสําหรับคนคนหนึ่งไม่ได้ใช้เยอะหรอกรูนะ้สึกไหมโยมช่างคิดครับรู้สึกครับนะเอองั้นกรรมฐ า, านที่หมอก็คือรู้ความรู้สึกก า, ก, การรัชการจะค่าหลวงพ่อเขาที่แล้วยมส่งกันบ้านที่วัดพระธาตุกดแก้วหลวงพ่อบอกว่าโยงให้ไปดูจิตที่ไปเข้าฐานโยมก็อพอจะเข้าใจแล้วเจ้ค่ะเห็นยังเห็นเจ้าค่ะแล้วตอนนี้เข้ายัง ตอนนี้มันตื่นเต้นกระจายขึ้นมามันกระจายถูกถ้าอย่างนี้ถูกใจนะถูกใจถูกใจหลวพ่อเาขาตอนที่นั้นตอนแรกที่ส่งกันบ้านเลยคะโอ้จีมันมีกําลังมากมันเห็นสภาวะธรรมชัดเจนมากค่ะหลังจากนั้นมันก็เจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมถูกละวเอาตามถูกแล้วนะคะแต่ตอนนี้มันรู้สึกมันมันนั่งไม่ได้ถึงเจ้าขามันฟูเดี๋ยวงต้องเดินอย่างเดียว ให้รู้ทันใจที่ฟุ้งนะแล้วก็น้อมใจกลับมาที่ร่างกายไหมเวลาที่ใจฟุ้งสั้นมากดูจิตใจไม่ไหวแล้วเนี่ยดูกายเพราะกายไม่เคยฟุ้งสั้นกายอยู่ตรงนี้แหละอรู้สึกอยู่ในกายไปเรื่อยๆหางานทํานะไปวัดพระธาตุกดแก้วหาไม่ขวาดขวาดไปเรื่อยๆจุกกันบ้าของโยมตรงนี้ใช่ไหมคะจิตมันไม่เ้าฐาน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 อนุโมทนากลับนมัสการหลวงพ่อปามอครับก็ส่งกันบ้านต่อจากสี่เดือนที่แล้วที่นี่นะครับก็ระยะเวลาที่ผ่านมาก็จิตใจก็พัฒนาไปหลายอย่างนะครับแล้วก็มีแวะพักข้างทางบ้างนิดหน่อยนะครับก็คือจิตเขาไปติดอารมณ์อยู่หลายวันนะแล้วก็แก้ออกมาแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าจิตเขาจะ มีความยอมรับในการที่จะต้องไปหมุนเวียนไปเกิดทางรูปทางนามอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วงหลังนี้ก็พยายามเข้าไปดูความคิดที่เขาคิดว่าออใครใครเป็นผู้คิดอย่างนี้อนัตตสัญญาเข้าไปใช้ตรงนี้ครับครับ mm hmm. แล้วก็หลักภาวนาของผมก็คือคอยรู้สึกในกายในใจนะครับ พิจารณาไปด้วยแล้วก็ดูไตหลักไปด้วยอย่างนี้ครับถูกแล้วล่ะจำอีกนะแต่ว่าตอนนี้ตื่นเต้นจิตไม่เข้าบ้านครับอันนี้ออกค่ะก็ระยะเวลาที่ผ่านมาผมภาวนาก็มีกิเลสมากนะครับสังเกตไหมตอนนี้จิตติดอารมณ์รู้สึกตัวอ่ะอว่างไปครับก็ที่ผ่านมาผมก็ มีกิเลสมากนะครับก็ต้องล้มลุกคุกขารแล้วก็ตะเกียกตะกายเรื่อยมานะครับนอกจากหลักคำสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนำแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัตินะครับผมก็มีใช้ศีล ส, สมาธิสติปัญญานะครับแล้วก็ข้อธรรมตัวอื่นอื่ น, อ, นอีกอย่างเช่น ขันตินะฮะธรรมะจาคะอื ม, อมแล้วก็หลายๆครั้งก็ต้องใช้สัจจะครับอืมถูกครับความดีทั้งหร่รู้จักเอามาใช้เป็นอาวุธนานาชนิดนะบางทีก็ต้องสู้โดวยวิธีนี้บางทีก็ต้องสู้โดวยวิธีนี้เคยสวยดพาหุงไหมชอบครับพระพุทธเจ้ามีอาวุธตั้งหลายตัวใช่ไหมครับสู้กคนนี้ใช้ขันติสู้คนนี้ใช้สัจจะอย่างเงี้ยสู้คนนี้ใช้เมตตา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 สัจจกริยาเนี่ยเป็นของพิเศษอย่างหนึ่งนะแต่เราต้องมีสัจจักเนี่ยังผลลุบไม่หายห <c oughs> มดพลังมันไหลมาอ น, นุวัท น, นารึระว่วางอันหนึ่งรัตการแคปหนึ่งนะแคบหนึ่ ง, งใจต้องเป็นธรรมชาติจริงๆนะใจตอนนี้เกินธรรมชาติอยู่นิดนึงมีการรักษามันนุ่มกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมออให้รู้ทันตัวนี้น ะ, อะยอมว่ามา มัสการหลวงพ่อค่ะลูกอยู่บ้านนั่งสมาธิไม่รู้ถูกหรือเปล่าค่ะโว้ยถูกสินั่งเธอลูก <c oughs> นี่หลวงพ่อ ม, มีลูกขนาดนี้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> เป็นลูกในธรรมะจะไปถามใครอะคะ่ะมาแล้วเริ่งข่าสังเกตไหมเรานั่งไปเนี่ยแต่ละวันใจเราไม่เหมือนกันบางวันเรานั่งไปนะใจเราก็มีความสุขใช่ไหมบางวันใจเราก็ฟุ้งซ่าน เนี่ยเราก็นั่งของเราทุกวั น, น่ะแต่นั่งแล้วใจมีความสุขก็รู้นั่งแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้ น, นั่งแล้วหดหูก็รู้นั่งแล้วากาังวลก็รู้นั่งแล้วน้อยใจก็รู้อะไรเนี่ยใจมันเป็นยังไงนะรู้ไปเรื่อย เ, เราก็นั่งไปนะ <ฤ Lucas. S 1> อย่างนั้นแหละเราจะได้ของดี<ฤ>ถ้านั่งให้สงบนันก็ธรรมดาเราสงบได้เดี๋ยวก็ฟุ้งได้ส<ฤ>ู้เรานั่งเราเห็นใจมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่ได้วันหนึ่งใจมันพ้นเลยเนืออว่ากันเยอะ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 ต้อง แ, แก้นะไม่งั้นจะนิ่งเกินไปนิ่งแล้วเป็นไงนิ่งแล้วเป็นคนดีแต่ไม่นิพพานกับนมัส ก, การหลวงพ่อครับมีกันบ้านมาส่งหนึ่งข้อแล้วก็มีคำถามสองคำถามนะครับรกันบ้านข้อเดียวสองคถามกันอ่กากันบ้านก็คืออยางฟังเทปหลวงพ่อเป็นประจานะครับหลวงพ่อสัง่งให้ทำอะไรก็ทำอย่างหมดแยะบอกให้ยิ้มยิ้มเหมือนหวานก็ยิ้ม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 ท่านสั่งดยเองได้ครับก็เห็นร่างกายทํางานไปเรื่อยๆนะใจเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่เราฝึกอย่างนี้เรื่อยๆส่วนตัวจิตเนี่ยเราไม่รักษาให้คงที่อะจิตนี้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งในหมุนเวียนไปเรื่อยๆการที่จิตพลิกแปลงไปเรื่อยๆนั้นดีดีกว่าจิตอยู่เฉยๆถ้าจิตเฉยคงที่ต้องแก่ติดสมถะอีกอันหนึ่งนะครับในขณะที่นั่งปัสนาอยู่นั้นเฮอ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 เงินถ้าจิตเขาจะถอยเข้าไปก็เรื่อง ข, ของเขาใช่ไหมเองล้วก็เห็นว่าจิตถอยเข้าไปจิตออกมารู้ว่าจิตออกมาเห็นจิตทํางานของจิตเองนะเพราะฉะนั้นจิตเราเป็นธรรมชาติที่สุดเลยเราไม่เข้าไปแทรกแซงสักนิดเลยไม่ใช่ว่าต้องกำหนดจิตไว้ตรงนี้ถึงจะถูกกำหนดจิตไว้อย่างนี้ดีกว่าเอาไว้ตรงนี้ไม่มีหรอก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 ท่านชรบสอนอาสุภาเหมือนกันแต่ท่านบอกว่าท่านจะไม่สอนพวกหมอพวกหมอเนี้ยสอนอาสุภาไปดูพอเห็นนะอ๋ออันนี้กล้ามเนื้อนี้ชื่อนี้ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เรื่องหรอกเห็นศพชนิดต่างๆอุย้ยตื่นเต้นจังเลยเลย น, นะมันสนใจแทนที่จะใจสลดลงมาไม่เป็นใช่มันไม่สลดแต่ว่าทุกวันนี้เวลาอย่างเวลาบางครั้งนะครับก็จัดการชำละตัวเองอย่างนี้ได้ไหมครั บ, บได้ แล้วก็บางครั้งเห็นฉิดกระดูกออกไปเลยนะให้กระดูกขาดออกเป็นท่อนๆดึงกระดูกให้หลุดออกเป็นท่อนๆอฮะเหมือนบางครั้งเจอคนหล่อคนสวยอะไรเงี้ยเราก็ชำระเขาเลยอะไรอย่างนี้ได้ชำระตัวเราสิไม่ชำละเขาล่ะอ๋อครับดูลงไปหน้าของคุณอ่ะดูไปจนถึงกระดูกกระเด็นออกไปเป็นท่อนๆนะถึงจะดีอันนี้ต้องคิดนําก่อนคิดนําก่อนค่อยๆคิดคิดไปเนี่ยกระดูกแขนกระดูกขานะ แยกออกไปหัวก็ะโหลกแตกอย่เงี้ยเล่นเข้าไปให้ถึงกระดูกนะถ้าโลกที่เนื้อที่หนังยังไม่พอของพื้นครับครับน้าสการหลวงพ่ อ, อปฏิบัติมานานแล้วเพิ่ง ม, มีโอกาสส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะโยมตอนนี้ปฏิบัติก็ไม่รู้มันก็เพิ่มตรงระหว่างอกไหยคะถูกถูก เห็นมันกระเพิ่มได้เองไหมค่ะเวลาตาเรามองเห็นนะตัวนี้ก็กระเพิ่มนะค่ะหูได้ยินเสียงตัวนี้ก็กระเพิ่มค่ะมันได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือใจคิดตัวนี้ก็กระเพิ่มค่ะก็เพิ่มทั้งวันเลยค่ะเราทุกไหมทุกค่ะทุกสุดยอดเลยตัวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราดูเนี่ยเราจะเห็นทุกถ้าเราเห็นมัตะที่ทํางานอยู่กลางอกเนี่ยต่อไปจะเห็นในทุกแล้วเวลาทุกมากมากเนี่ยมันเหนื่อย เหนื่อยมากค่ะถ้าเหนื่อยต้องทําสมถ ะ, ะนั่นทําสมถะกลับไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมให้ใจมันสงบหยุดดูตัวนี้ชั่วคราวนะพุโทโธพุโทโธไปหรือหายใจไปอะไรก็ได้ให้สงบพอสงบแล้วนะจิตมีแรงแล้วกลับมาดูใหม่จะค่ ะ, ะมันก็จะเห็นไใ้ตัวเนี้ทุก์แต่ใจเราไม่ทุกนยยั่นโยมหลวงพ่อมีอะไรชี้เนี้ยโยมมีนี่ไงสอนแล้ว จะกาไป <พอ S 1> ฝึกนะนะทำความสงบเข้ามาพอใจมีแรงแล้วก็เห็นไอ้ตัวนี้ทำงานต่อไปจข อ, อพอ่อคุณจ้านมรสการหลวงพ่อค่ะหนูไปนั่งดูมือค่ะดูเห็นว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าม า, เ, าเห็นว่ามันไม่ใช่มือแล้วอะค่ะ ม, ม, มันมันเป็นอย่างอื่นแล้วก็เกลียดมันไหมรู้สึก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 บางทีรู้สึกว่ามันกระทบกันจนเหมือนเหมือนมันจะกระทบกันจนตัวแตกออกมาเอาี่นแ้่ก็รักษาใจไว้ถ้ารู้สึกไม่ไหวแล้วก็กลับมาทําความสงบใหม่ก็เลยหายใจแรงๆแ ล, แลนะขยับขยับเปลี่ยนอิริยาบทใช่เปลี่ยนใช่แล้วดูไปเรื่อยๆแล้วเห็นมันไม่ใช่เราก็ให้ให้ดูว่ามันไม่ใช่เราไปใช่ใชตอนเนี้ยจิตไม่ปกติดูออกไหม ไม่รักษามันนะอย่างนี้เรารักษาไว้เรากลัวว่ามันจะตื่นเต้นมากเราเลยกกดเอาไว้อย่าไปกดมันขอบคุณค่ะพิธการองพ่อครับ เ, เต้นเลยทใจแล้วนะครับไปอ่างครับก็เป็นครั้งแรกครับที่ที่ได้ส่งเคยมาฟังหลวงพ่ออยู่สามสี่ครั้งก็หลังจากนั้นก็ไปฝึกปฏิบัติมาที่หลวงพ่อสอเอ่า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 คือมีควันดำปนแสนวูบภาพไหลเข้ามาทุกทิศทางอย่างไม่ขาดสายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่เห็นสิจจะทำความรู้สึกที่กายแรงๆจนกายปรากฏดูจิตได้สภาวะจางคลายไปเห็นความอยากจะทดลองดูไปเฉยๆไม่แทรกแซงแต่ก็กลัวจะหลงโกลมานล่าสุด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 เห็นความคิดมีน้ำหนักหลุดลงมาเป็นวาจาใช่ใช่เห็นการกระทามีมารบงการลอยๆอยู่ไม่มีผู้กระทมเห็นปิติครอบงำใจจิตมีน้ำหนักอัดแน่นเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีรู้ทันความคิดฟุ้งซ่าน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 จิตไม่คิดว่าได้ทำกรรมอะไรเลยแต่พอเห็นมันให้ผลสมเตุสมผลไม่มีที่ติจิตก็ยอมรับมันทำให้สิตผสมน้ำเย็นลงไปลดอุณหภูมิของน้ำร้อนลงก่อนทิ้งเสม อ, อมทุกครั้งที่สิตส่งการบ้านหลวงพอ่อ <laughs> เห็นจิตเรียนจากจิตสู่จิต เห็นจิตเข้าใจทำตามทันทีมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมอย่างรวดเร็วเพื่อความไม่ประมาทในการเดินตามทางที่มีมานมาขวางนี้สิทธ์กราบขอรับการขนาบจากหลวงพ่อเขเอาขนาบเลยนะคะรับอะไรนะขนาบค่ะขนาบ อ, อขนาบค่ะจขนาบอะไรละ่ะน้ำร้อนก็ขนาบเราแล้วเนตกระตากรรมนะ ไม่มีเจตนาใช่ไหมเมีกรรมเล็กน้อยอ่ะอก็ต้องรับแต่กา ร, รเล็กกรรน้อยก็หนีไม่รอดอนะหรอกนะหลวงพ่อคดเรื่องการตตดกรรมเนี่ยสิขอถามนิดนึงนะคะการตตากรรมเนี่ ย, ม, นนะะรร ม, ยมันมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยมันมันแยกกันให้ผลหรือว่าให้ผลคือคือ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 ก็ยุติธรรมแล้วไม่ปฏิบัติเธอก็ทุกข์ไปสิพูดแบบโรดร้ายความจริงสังเวชมากเลยนะเห็นคนไม่ภาวนาน่าโสสารนะเนาะพอสมควรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุ สัพเพปูเรนตูสังคป่าจันโทปนรโสยถ า, ามณิชโชติรโสยถ า, าสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายยโภพะวะอภิวาทนาสีลิสนิตจังุทธาปจายโนจะ ต, ตาโรโธรมาวัทันตีอายุวนโนสุขังปะลังสาธุ